Mm hmm. ตอนบ่ายทั้งพระทั้งแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติตองส่วนก็ลงไปทําวัดเจ้าคณะจังหวัดสำหรับหลายท่านที่เพ่งบวชการที่ได้ลงไปข้างล่างก็เป็นโอกาสที่จะได้ดูจิตดูใจของตัวโดยพ่อท่านที่ ตั้งแต่บวชมาก็อยู่ที่วัดป่าสุโกโตเลยเวลาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาคงจำยังไม่ได้ไปสัมผัสแสงสีแล้วก็ความวุ่นวายที่แกล้งครอก็คงจะได้เห็นได้เปรียบเทียบว่าระหว่างที่เราอยู่ปฏิบัติที่วัดป่าสุโกโตแล้วก็ ได้อยู่ท้ำกลางธรรมชาติมีความสงบสงัดพอสมควรไม่มีสิ่งที่จะมากระทบจิตกระทบใจมากนักพอได้ลงไปข้างล่างนี้เป็นอย่างไรบางคนก็อาจจะปล่อยใจส่งออกนอกเพราะว่าไม่ได้เจ อ, อบรรยากาศแบบนี้มาเป็นสองสามอาทิตย์แล้ว อาจจะเพลิดเพลินไปกับสภาพในเมืองเพราะมีสิ่งเร้าเย้ายวนมากบางคนอาจจะลืมตัวนะถึงกลับไปเข้าร้านค้านะซื้อโน่นซื้อนี่เพราะว่าอยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้มีสิ่งเสพถึงมีก็ไม่สะดวกออไปพอไปในเมืองนี่ก็อาจจะ เรียกว่าพ่ายแพ้ต่อกิเลส ก, ก็ได้ไปหาซื้อนะของกินหาซื้อน้ำดื่มอะไรต่างๆหรือไม่ก็ฟุ้งไปเลยนะกับบรรยากาศในเมืองจะเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าสอบตกนะพอไปนในเมืองนี่ก็ได้ไปเจอบททดสอบ ถ้าถามใจตัวเองว่าได้มีสติรู้ทันใจของตัวเองไหมมันก็ธรรมดานะที่ใจเราจะฟุ้งเมื่อเจอบรรยากาศแบบนั้นซึ่งมันตรงข้ามกับบรรยากาศที่นี่แต่ถ้าเกิดเราฟุ้งล้วก็รู้ว่าฟุง้ง อ, อันนี้ก็ยังดีแต่ถ้าฟุง้งเราปล่อยใจลอยจนลืมตัวนะ อยากกินอะไรก็เข้าไปกินไปซื้อนะอันนี้ก็เรียกว่าสอบตกอสติที่เราได้ฝึกมามันเรียกว่าแตกกระเจิงไม่สามารถที่จะทำให้เรารู้เท่าทันนะความอยากหรือว่าความโลภที่เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเรายาวยวนแต่ละบางคนมันไม่ใช่สิ่งเรายาวยวนแต่มันเป็นสิ่งที่ กระทบให้เกิดความไม่พอใจหรือเกิดความเครียดขึ้นเพราะว่าเสียงดังอยู่ในป่ามาสองอาทิตย์นี่จิตใจก็ค่อยๆนะปรับตัวเข้าขความสงบแต่พอออกไปเจอนะบรรยากาศที่จอแจนะที่อยู่นอกวัดในวัดนี้ยังไม่ท่าไหลนะพอมานอกวัดนี่มันจอแจก็จะเกิด ปฏิฆะ ข, ขึ้นคือความไม่พอใจถ้าหากว่ารู้อารมณ์นั้นนะก็ถือว่ า, าสติเราใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยใจให้เป็นทุกข์ไปกับความจอแจเสียงดังแดดร้อนวุ่นวายแล้วก็เลยเกิดความเครียดเกิดความไม่พอใจเกิดความงุนง้ขึ้นมา ไม่รู้ทันความหนุดหงิดนั้นก็เรียกว่านะสอบตกเหมืนอนกันบางทีนักปฏิบัติเราก็ต้องออกไปเจอบรรยากาศแบบนี้บ้างนะแม้นะว่ามันจะมีสิ่งเรา่าหรือว่าสิ่งเย้า ย, ยวนหรือว่าสิ่งกระทบให้การที่เรามีความสงบในจิตใจท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้เนี่ย จะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องยากคนที่ไม่ปฏิบัติพอมาอยู่ที่นี่สักสามสี่วันก็จะเริ่มคุ้นใหม่ๆอาจจะฟุง้งแต่พอวันที่สาวันที่สี่ใจก็เริ่มค่อยนิ่งเพราะว่าวิถีชีวิตที่นี่มันไม่ได้เป็นวิถีชีวิตที่เร่งรีบต้องทำโน่นทำนี่มันไม่มีสิ่งกระทบมากไม่ว่าจะเป็นจาก จากสื่อต่างๆเช่นโทรทัศน์หรือว่าสิ่งพิมพ์ผู้คนก็ไม่ได้จอแจมากอาจจะมีบางวันบางช่วงเพราะนั้นจิตใจก็จะสงบไดง่ายเหมือนกันน้ำน้ำคลองนะหรือน้ำบ่อเราตักขึ้นมาปล่อยทิ้งไว้สองสมวันสามสี่วันมันก็จะเริ่มใสเพราะวัตกรก็นอนก้นจนเกือบหมด แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าน้ามันใสจริงเพียงแต่ว่าตะกอนมันมันนอนกลนเท่านั้นเองถ้าเราลองเขยา่าเขย่าแก้วตะกอนมันก็ฟุ้งขึ้นมาอีกก็คง ม, มือนกันหลายคนที่ลงไปวันนี้นะตอนก่อนลงก็อาจจะเหมือนกับแก้วน้าที่ตะกอนมันนอนกลนแล้วก็ดูใสดูสงบแต่พอลงไปข้างล่างจิตมันถูกเขยา่า สูกกระทบนะด้วยรูปวดกินเสียงนะแล้วก็ชวนให้คิดปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, า, าก็เลยฟุง้งขึ้นมาอีกนะฟุ้งถ้ารั่วฟุ้งก็ยังดีนะแต่ฟุ้งเราไม่ไม่ร่วฟุง้งลืมตัวก็จอก็เจิงไปเลยอันนี้ก็เรียกว่ายังปฏิบัติมาไม่พอแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเถอเป็นบทเรียนเราต้องไปเจอกับ สิ่งแวล้อมแบบนี้บ้างอย่างที่บอกไว้แล้วว่าให้ความสงบท่ามกลางบรรยากาศที่แวดล้อมในธรรมชาติอันนี้ไม่ยากเคยมีบางคนหนีหนี้มาหลบหนี้มาก็ไม่มีที่ไปก็เลยมาขอพักที่นี่ไม่ได้คิดจะเบี้ยวนะแต่ว่ามันมีเหตุจาเป็นก็ทิ้งลูกทิ้งเมียมา พิงชีวิตที่สะดกสบายในกรุงเทพมาอยู่ที่นี่ก็สองสาวันแรกก็ร้องไห้คิดถึงลูกคิดถึงชีวิตที่สะดวกสบายตอนนั้นหอไต่อยู่ข้างบนไม่ได้ย้ายลงมาข้างล่างเขา ก, ก็ก็ให้เขาพักตรงหอไต่นั่นแหละอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทําใจก็ฟุง้งเขาไม่ได้มาเพราะอยากจะปฏิบัติแต่ว่าเพาอยู่ไปสักสองอาทิตย์ เขาก็เริ่มชอบเพราะว่าบรรยากาศมันน้อมใจเขาให้สงบตื่นเช้าขึ้นมาทำวัดแล้วก็บางทีก็เป็นศิษ์วัดตามาพระไปบิณฑบาตชีวิตก็ไม่มีอะไรวุ่นวายมากถึงแม้ว่าไม่มีไม่มีโทรทัศน์ดูสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือมันเกือบยี่สิบปีมาแล้วเขาก็เริ่มจิตใจสงบ ชานั้นทีาไม่ได้ปฏิบัติเลยเพราะว่เขาไม่ได้มีฉันทาทางนั้นมาด้วยความจําเป็นอยู่ไปสักเดือนหนึ่งก็ตัดสินใจอยากจะบวชเลยอันนี้ก็เป็นเพราะว่าอานิสงส์ของสิ่งแวดล้อมทีแรกก็เป็นความสงบสงัดทางกายก่อนไม่มีเสียงดังมากระทบไม่มีแสงสีมาแยงตาก็เรียกว่าเป็นความสงบที่ เรียกว่ากายวิเวกกายวิเวกก็คือความวิเวกทางกายภาพความสงบสงัดทางกายภาพไม่มีสีแสงเสียงมากระตุ้นเราเราอยู่ไปนานๆก็เกิดจิตวิเวกขึ้นมาจิตสงบจิตสงบก็เกิดชันทะก็เลยอยากจะบวชแต่ว่าไอ้สงบแบบนี้เนี่ยมันยังเป็นความสงบที่ยังวางใจไม่ได้ เพราะว่าต้องอาศัยสิ่งแวดลอ้อมความสงบที่แท้จริงมันต้องออกมาจากใจที่มีสติมีสมาธิไม่ใช่พออาศัยสิ่งแวดลอ้อมหลายคนที่ในช่วงสองสมวันที่ผ่านมาใจเริ่มสงบหลังจากที่มาบวชได้สักสองอาทิตย์อันนี้ก็อย่าสรุปไม่ได้ว่าเป็นประการปฏิบัติบางคนก็ไปหลงคิดว่าโอเราปฏิบัติก้าวหน้านะจิตใจสงบแล้ว นะแต่พอออกไปเข้าไปในเมืองอย่างเมื่อตอนบ่ายนี้นะบางทีสติแตกเลยก็มีอันนี้แสดงว่าเป็นความสงบที่อาศัยสิ่งแวดล้อมไม่ใช่สงบเพราะมีสตินะการสงบเพราะสิ่งแวดล้อมแบบนี้เรียกว่าสงบเพราะความไม่รู้หรือเพราะการไม่รู้คือไม่ไปรับรู้อะไรไงมันก็สงบได้ธรรมชาติของใจถ้าไม่ไปรับรู้อะไรสงบเยอะละ่ะ นะแม่ๆอาจจะฟุ้งหน่อยแต่พอเริ่มปรับตัวไดกก็จะเริ่มสงบเป็นความสงบเพราะไม่รับรู้เช่นปิดตาปิดห้องปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นบางทีไม่ให้คนมาพบมาคุยนะมันก็สงบได้ถึงแม้จะไม่ปฏิบัติเลยก็มีหรือถ้าปฏิบัติก็ยิ่งสงบเข้าไปใหญ่แต่ว่ามันยังเป็นสงบที่ยัง ยังวางใจไม่ได้เพราะว่าในความเป็นจริงมันมีสิ่งกระทบเยอะอย่างเราเข้าไปในเมืองเนี่ยมันก็เป็นความจริงแบบหนึ่งเมื่อเราไปรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงเกิดผัสสะขึ้นมาแล้วมีทั้งสิ่งเรามีทั้งสิ่งยุ่งนะเราให้ชอบหรือว่ายุให้หงุดหงิดจิตใจเราไม่สงบนะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาเกิดความชอบความชังขึ้นมา ฟุ้งขึ้นมาอันนี้ก็แสดงว่าเป็นความสงบที่ชั่วคราวเป็นความสงบที่ยังวางใจไม่ได้เราต้องรู้จักทําความสงบให้เกิดขึ้นแม้จะรับรู้สิ่งต่างๆหรือว่าแม้จะเห็นแม้จะได้ยินสิ่งต่างๆก็ยังสงบได้อันนี้เรียกว่าสงบแม่รับรู้หรือถ้าพูดถูกต้องคือสงบปัรู้ ไม่ใช่สงบแม้รับรู้รูปรสเกิีนเสียงสงบแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะรู้รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยสติรูปกระทบตาเสียงกระทบหูจิตกระเพื่อมขึ้นมารู้ทันวางได้เราต้องสงบด้วยวิธีนี้นะคือสงบเพราะรู้คือรู้ทันรู้ทันใจที่กระเพื่อมหรือว่ารู้ตั้งแต่เวลาเกิดพัสดะ ถ้ารู้แบบนั้นเรียกว่าเห็นแต่ไม่มีผู้เห็นได้ยินแต่ไม่มีผู้ได้ยินอย่างที่หลวงพ่อใช้คาว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยก็หมายถึงกานนี้ด้วยคือแม้เมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาจะเป็นได้ยินได้เห็นก็ตามมันมีการได้ยินมันมีการได้เห็นแต่ว่ามันไม่มีผู้เห็นผู้ได้ยินนะหรือว่าเกิดไม่มีสติ พอเห็นได้ยินแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีก็มีทุกขเวทนามีสุขเวทนาก็ดีแต่ไม่มีผู้ทุกขผู้สุขเกิดไม่ทันเวทนานั้นปรุงแต่งเป็นความชอบไม่ชอบเป็นความชอบบ้างชังบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างก็ยังไม่สายที่จะมีสติรู้ทันก็คือว่ามีความชอบมีความชังแต่ไม่มีผู้ชอบไม่มีผู Body> ้ชังคือเห็นความชอบความชัง มีความยินดีนล้ายเกิดขึ้นแต่ว่าไม่มีผู้ยินดียินร้ายเพราะว่าเห็นความยินดีิร้ายที่เกิดขึ้นโดยไม่ปรุงแต่งเป็นเป็นตัวกูของกูขึ้นมานั่นแหละที่จะทําให้เกิดความสงบได้อย่างแท้จริงนักปฏิบัติเนี่ยต้องไปเจอกับบททดสอบแบบนี้ด้วยนะเพราะบางทีบททดสอบนั่นแหละที่มันจะทําให้เรารู้ว่าเราปฏิบัติได้ได้ดีหรือเปล่าด้วยเพราะเวลาเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจ ในสมัวัการมีมีเศรษฐีนี่คนหนึ่งชื่อนางเวเทหิกานะแกก็หลงภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติ ด, ดีใจสงบไม่มีโกรธเลยไม่มีความโกรธไม่มีความหมางุดหงิดเลยไม่มีความทุกข์อะไรเลยนะก็หลงคิดว่าตัวเองปฏิบัติ ด, ดีวันหนึ่งโดนนางทาสีนะสมัยก่อนมีทาตุนะ นางทาสีนี่ก็แก้งนอนตื่นสายพอนอนตื่นสายเนี่ยก็ไม่มีใครมาปลนนิบัตินะแล้วมากระทบกับงานอื่นหมดนะเพราะก็านางเวทีการนี่โกรธเลยนะโกรธมากถึงกระทุบตีนางทาสีนางทาสีก็เลยชี้เห็นว่าเนี่ยไอ้ที่สงบสงบเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่ามันมีคนปนเปลอาทุกอย่างเป็นไปตามใจ คนเราเวลามีใครมาปลนเปรอหรือว่าทำตามความต้องการไม่มีใครมาขัดอกขัดใจเลยมันก็สงบได้ไม่ยากแต่ว่าเวลามีใครเกิดขัดอกขัดใจขึ้นมาเอาละนะใจกัเพื่อมเกิดความหนุดหงิดอันนี้แงมก็ไม่สงบจริงนักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยเป็นอย่างนั้นก็คือว่าสงบได้เพราะว่าชีวิตที่นี่มันสบาย สบายในความหมายที่ว่ามันไม่เร่งรีบแล้วก็ชีวิตมันก็เป็นระบบเป็นระเบียบนะตื่นเช้าขึ้นมาตีสามทำวัดตีสี่ทุกอย่างมันไม่มีสิ่งที่จะเรียกว่าพลิกความคาดหมายหรือว่าผิดความคาดหมายทุกอย่างมันเป็นไปตามแบบแผนตามคันลองนะชีวิตก็ดูมีความสงบนะไม่มีเรื่องกระทบมากแล้วก็ไปหลงเพลินว่า ปฏิบัติดีก้าวหน้าถ้าจะให้ดีก็ต้องออกไปเจอนะเจอกับสิ่งเราเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจบ้างไปเจอแดดบ้างไปเจอฝนบ้างไปเจอทุกโภเทนาบ้างนะอย่างธรรมญาตราเนี่ยที่เราจัดทุกปีเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อเหตุนี้เพื่อให้ได้ไปเจอกับสิ่งที่มันคาดเดาไม่ได้ทํานายไม่ถูก ไปในที่ที่มีห้องน้ําแค่ห้องเดียวแต่คนเดินก็สองร้อยคนไปในที่ที่อาหารการกินก็ไม่สะดวกสบายห้องน้ําอหรือว่าที่หลับที่นอนก็ไม่สะดวกเสียงดังบางทีก็ชาวบ้านก็ปล่อยเปิดเสียงถองกระจายเสียงนะดังแล้วก็ดึกหรือที่สำครั้งคือว่าต้องไปเจอกับแดดร้อนเดินท่ามกลางผู้คน บางคนก็น่ารักบางคนก็ไม่น่ารักเดินคนข้างๆก็คุยกันส่งเสียงดังแล้วเรายัางสงบได้ไหมการเจริญสตินี่มันต้องไปทดสอบนะไม่ใช่ทดสอบในในห้องแอร์หรือว่าในที่ที่เป็นป่าสงบแต่ว่าต้องออกไปทดสอบกับที่ที่มันวุ่นวายที่มีผู้คนมากมายไม่เป็นไปตามใจเราเสมอไป บางทีก็คาดเดาอะไรไม่ได้หรือบางทีก็ไม่เป็นไปดังใจแล้วเราจะสงบได้ไหมหรือว่าเรามองอะไรเป็นปัญหาเป็นหมดทางก็ไกลแดด ก, ก็ร้อนฝุ่นก็เยอะคนก็เสียงดังมองอะไรเป็นปัญหาหมดแทนที่มองว่าเป็นธรรมดานันแหละคนที่มองว่าเป็นปัญหาหมดเนี่ยก็ไม่มีทางสงบได้ถ้าปฏิบัติทบางที เรียกร้องมากเรียกร้องว่าต้องไปในที่ที่สงบต้องอยู่ในที่ที่สงบเจอที่ไม่สงบนี่เป็นทุกข์เลยหงุดหงิดเลยกลายเป็นคนอ่อนแอเพราะว่าเสียงดังก็ไม่ได้่อสมัยก่อนนี่หมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านบางทีก็เปิดเสียงดังมีการก ร, กระจายเสียงตั้งแต่เช้า นักปฏิบัติบางคนหงุดหงิดขึ้นมาเลยมาบอกให้พระไปบอกผู้ใหญ่บ้านว่าอย่าส่งเสียงดังอันนี้แสดงว่าอ่อนแอแล้วพราะชาวบ้านเขาไม่ได้ปฏิบัติเขายังไม่โวยเลยนนชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติแต่เขาก็ไม่ได้โวยวายอะไรเขาทนกับเสียงได้เพราะเขาเห็นว่ามันธรรมดาแต่นักปฏิบัติกับโวยวายอันนี้แสดงว่าอ่อนแอแล้วนักปฏิบัติเรา ต้องเข้มแข็งกว่าคนทั่วไปไหนๆกินข้าวชาวบ้านเขาแล้วไหนๆก็งานการก็ทิ้งหรือว่าไม่ทำงานออกมาปฏิบัติสังคมก็เลี้ยงนโดยการหาอาหารมาให้หาปัจจัยสี่มาให้นี่สังคมเขาเลี้ยงนะแล้วเรากลับอ่อนแอกว่าคนทั่วไปเสียงดังก็ไม่ได้นะหรือว่า ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็บ่นว้อยวายมันมีนักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยเป็นอย่างนั้นเพราะว่าติดสง บ, สงบก็เลยกลายเป็นคนอ่อนแอบางทีเจอคำพูดกระทบนิดหน่อยก็เป็นทุกข์ละพอเข้าว่าไม่มีสติคนี้กโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขณะที่ชาวบ้านนี่บางคนหรือว่าจำนวนไม่น้อยนี่ถูกด่าว่าเป็นหมูเป็นหมาเขายังเฉยเลยบางทีไป ไปสบประมาท เ, เขาก็ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่านักปฏิบัตินี่เพียงแค่มีคนพูว่าไม่มีสติแค่นี้โกรธมากเลยนี่แสงอ่อนแอแล้วอ่อนแอกว่าคนทั่วไปอันนี้ไม่ใช่นะักปฏิบตัตนะิต้องเข้มแข็งนะต้องเข้มแข็งคือไม่แม้เจอคำพูดที่รุนแรงกว่านี้นะก็ไม่กระเพื่อมหรือกระเพื่อมก็รู้ทันไม่โกรธเขาจะกลับมาดูใจของตัวเอง วิสัยนักปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้นั่นการที่ออกไปเจออะไรที่มันยากๆมันเป็นเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งนะที่ไม่ควรหลีกหนีด้วยนี่เองเนี่ยพระสงฆ์สมัยก่อนเนี่ยรวนทั้งมัดปฏิบัติเนียก็จะมีประเพณีออกทุดงนะออกทุดงเนี่ยนะก็คือไปในที่ที่คาดเดาไม่ได้ต้องไปเจอความยากลาบาก บางคนติดที่พอจะออกทุกดงนะก็จะเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาไม่อยากไปเพราะว่าฉันขออยู่ที่กุฏิของฉันฉันขออยู่บ้านของฉันเพราะว่าอาหารก็ดีนะที่พักก็คุ้นเคยพอจะ อ, อไปข้างนอกนี้ไม่เอามีนักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยนะทั้งพระทั้งนี้ก็ชีไม่อยากออกจากที่ที่คุ้นเคยอันนี้คือเราไม่ไมอยอมออกจากไขแดง จะอยู่แต่ไข่แดงนั่นแหละเพราะมันสบายแนละ้วยิ่งมีอายุมากก็จะยิ่งติด ก, กับไอ้ไข่แดงนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่อ่อนแอนะเพราะว่าพอเจออะไรที่มันแปลกใหม่บ้างก็จะต่อต้านไม่ชอบขึ้นมาในวิธีที่จะดัดนิสัยนี่คือต้องออกไปเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบไม่คุ้นเคยบ้างนะอาหารที่ไม่คุ้นเคยที่หลับที่นอนที่ไม่คุ้นเคยผู้คนที่ไม่คุ้นเคยรวมทั้ง ความยากลำบากทั้งแดดเอยนะทั้งอาหารเอยทั้งลมดินฟ้าอากาศแล้วเราลองดูซิว่าเราจะปรับตัวอย่างไรได้บ้างแทนที่จะมองามันเป็นปัญหาก็มองว่ามันเป็นธรรมดาเวลามีความทุกข์แทนที่จะส่งจิตออกนอกหรือไปเพ่งโทษข้างนอกให้กลับมาดูว่าเป็นเพราะใจของเรา ท่านหลุงพ่อชาท่านพูดไว้ดีนะท่านบอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันถูกต้องทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเราวางใจผิดฝนตกก็ดีแดดออกก็ดีผู้คนส่งเสียงดังก็ดีพว้นี้มันมันถูกต้องของเขาหมายทึงว่ามันมันถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยก็เหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้เป็นอื่นไปไม่ได้นะสิ่งที่เรา จะต้องทำก็คือว่าดูใจของเราฝึกใจของเรานะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญกว่าแล้วนักปฏิบัติเนี่ยเราอย่าอย่าเพลินหรือว่าอย่าติดอยู่กับการเป็นเสมือนกับดักแด้ที่พอใจกับการอยู่ในหลังถ้าเราเป็นดักแด้แบบนั้นก็จะไม่มีวันได้เติบโตเลยถ้ทาท น, นที่อยู่ในลังที่มันสบาย รังดักแด้ที่มันปลอดภัยไม่ต้องทำอะไรเลยนักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยอยากเป็นอย่างนั้นคือทำตัวมันดักแด้แต่จริงแล้วเนี่ยดักแด้มันก็ไม่มันก็จะไม่พอใจอย่างนั้นนะมันก็จะพยายามออกมาการออกจากดักแด้ออกจากรังมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็ต้องกัดต้องพยายามผลักออกมาผลักตัวออกมา แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเป็นผีเสือ้อเป็นผีเสื้อที่สวยงามมีสละที่จะโบยบินไปไหนมาไหนได้ถ้าเรานักปฏิบัติ ท, ทาตัวมันกระดักแด้แล้วก็ไม่มีวันที่จะเติบโตเป็นผีเสื้อขึ้นมาได้ก็กลายเป็นว่าขังตัวเองนะขังตัวเองอยู่ในนั้นแหละมันสบายก็จริงแต่ว่ามันคือกรงขังไม่เป็นสละเราต้องกล้าออกมากล้าออกมาจากรังนะ แม้มันจะลำบากออกมาง่ายๆก็ไม่ดีนะมีเด็กเนี่ยเขาเวลาเขาเห็นผีเสื้อมันออกจากดักแด้เนี่ยมันกระเสือกกระสนมากกว่าจะออ ก, ออกมาได้เขาสงสารเขาก็เลยเอาอะไรกรีดเพื่อให้ออกมาได้ง่ายๆกรีดตัวลังมันนั้นนะช่วยให้ผีเสื้อมันออกมาได้ง่ายพอกรวยผีเสื้อออกมาอยู่ได้ไม่กี่วันก็ตาย เพราะว่าธรรมชาติต้องการให้มันได้ได้ใช้กําลังในการที่จะผลักตัวเองออกมาจากดักแด้มันมีผลต่อการสูบฉีดโลชิตมันมีผลต่อการอ่าฝึกกล้ามเนื้อของมันไม่รู้จะใช้ว่ากล้ามเนื้อถูกหรือเปล่าทำให้ปีมันแข็งแรงแต่พอมันออกมาง่ายๆเนี่ยมันก็เลยไม่แข็งแรงไงแล้วมันก็เลยอยู่ได้ไม่นาน เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่ผีเสื้อเนี่ยมันออกจากดักแด้ออกจากหลังเนี่ยด้วยความยากลำบากเนี่ยเป็นของดีนะเป็นประโยชน์ต่อตัวมันเองทำให้มันแข็งแรงพวกเราักปฏิบัติก็เหมือนกันนะถ้าเราพอใจแต่การอยู่ในอยู่ในหลังเช่นอยู่ในที่สงบแบบวัดป่าสุขโตเงี้ยเราก็คงไม่เติบโตเท่าไหร่เราต้องกล้าที่จะออกไป แน่มันจะลำบากนะแต่ว่ารางวัลที่ได้คือความเป็นอิสระอิสระภาพน ะ, ะ้วก็พูดกันท่านนี้คืนนี้